รับฟังที่ครบครันนี่คือรายการสัมสีน์สนทนานะคะอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟ106สถานีวิทยุที่ท่านสามารถจะทันสมัยถ้าติดตามรับฟังกันโดยตลอดแม้แต่กระทั่งในช่วงของเวลารายการธรรมะสัมสีน์สนทนานี่นะคะฉะนั้นก็มั่นใจว่าเราพยายามช่วยกันดําเนินรายการให้เป็นไปอย่างทันยุคทันเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องคําถามในวันนี้ ที่เข้ามากราบเรียนถามท่านเพียบูลส่งไปหาท่านที่เพียวธรรม .com/106 ตอนนี้เรามานมัสการท่านเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่นี้กันก่อนก็นแล้วกันนะคะช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวัจนะค่ะนมัสการค่ะเชิญฟานค่ะ <c oughs> คือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวัจนะเนี่ยจะว่าไปก็ตรงๆคือตอบคําถามด้วยการเอาคําสอนที่เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้ามาตอบถูกไหมคะใช่ใช่่ชค่ะทีนี้ในบางครั้งบ่อยครั้งด้วย คำถามในรายการนี้มักจะเป็นคําถามทั่วไปเรื่องโลกโลกท่านพิบูลําบากใจไหมคะหาคาตอบที่เป็นพุทธวจนะมาตอบลําบากบ้างไหมคะออจริงๆแล้วเรื่องการใช้พุทธวัจนะในการตอบคําถามเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอยู่ทุกเรื่องอยู่แล้วลเพราะฉะนั้นการที่จะดึงพุทธวจนะบทไหนจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันหมด เ, ออเกี่ยวข้องกันหมดไม่ว่าจะการดําเนินกิจกรรมทางโลก หรือว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติมันก็จะมีหลักการที่ที่ไม่หนีไปจากสิ่งที่พระเจ้าสอนนั่นแหละค่ะทีนี้อก็ต้องเรียนท่านฟังอนะคะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์งสอนสําหรับความเข้าใจของที่ฉันท่านไปบู๋ลองฟังด้วยกันล้กันนะคะว่ามอนก็เป็นหลักการถูกไหมคะอืที่เวลาอา่าจะนำเอาไปใช้ กับที่ไหนเนี่ยเราเอาหลักการไปทั้งหมดเลยหรือว่าเราต้องประยุกต์เป็นแอพพลายอะไรด้วยครคะเออคือหลักการอันนี้มันต้องอยู่ที่ว่าหลักการอะไรค่ะหลักการอันนี้คือหลักการอะไรถ้าสมมติว่าเรายึดติดในหลักการนี้เราจะเป็นทุกข์หลักการนั้นจะกลายเป็นความทุกข์ของเราถ้าเรายึดในหลักการนี้มากเกินไปนะอ่าทีนี้หลักการนี้ที่พระพุทธเจ้าให้เอาไวนะ้นะก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าอย่ายึดนะใช้เป็นแนวทางเฉย นะอ้วก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อว่าเป็นของดีที่สุดแล้วทำไมยึดไม่ได้เลยคะท่านเพราะความยึดเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าเรายังยึดอยู่นะจะทําให้ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นความทุกข์ของเรานี่เราเห็นกันชัดๆง่ายๆอย่างเช่นว่าเรายึดถือในค ร, าารูบาอาจารย์ยึดมากเลย ย, ยึดจนกระทั่งว่าถ้าใครมาพูดอะไรไม่ดีกับค ร, บาารูบาอาจารย์สักหน่อยหนึ่งนะเราจะจีดยึดถือในธรรมะมากเลยใครมาทําให้ธรรมะแปเปื้อนนะใครไม่ปฏิบัติตามธรรมะนะเราจะจีด เพราะว่าคุณยึดธรรมะนี่ใช่ไหมแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ไว้คือทางปฏิบัติเอาคุณอย่ายึดนะนี่คือทางปฏิบัตินะทางปฏิบัติคือคุณอย่ายึดปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อคลายความยึดถือใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่ได้เราจะทุกทันทีอเพราะว่าคนอื่นจะมาทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ว่าอย่างที่เราหวังค่ะแปลว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงให้หลักการไว้ชเพื่อที่จะให้เราเอาไปใช้แต่ ไม่ให้เรายึดกับหลักการที่ส่งให้ไว้ถูกต้องคํานี้นคํานี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเอาเป็นที่พึ่งเวลามีปัญหาอะไรเอาตรงนี้พึ่งไว้มีปัญหาอะไรเอาตรงนี้พึ่งไว้ ค, คือยึดเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเอามาเป็นของเราแต่คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะของเสาใช่ไหมที่ไว้คํายันโลกให้หมุนไปเนี่ยนะถ้าเราจะดึงเสาเออกมาเป็นของเราเนี่ยเราทําไม่ได้เสาเราก็เอาไว้พึ่งพิงเท่า น, นั้นเอง อืมค่ะอืมปัญหาที่เกิดในปัจจุบันนะนะคุณโยมนใน <c oughs> ในบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรายึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะอย่างกระบวนการคิดทางการเมืองอย่างเช่นเป็นต้นนะนะกลุ่มหนึ่งก็ยึดว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นฉันไม่ยอมอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ได้ต้องอย่างนี้เท่านั้นมันยึดถือในแนวความคิดนี้คือยึดถือในสัญญาใช่ไหมคุณยึดในสัญญาสัญญานั้นจะเป็นความทุกข์ของคุณทันที ค่ะุทธิชาจริงให้ใคลายความยึดถือค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าถือว่าดิฉันอยากจะบอกว่าในส่วนตัวฟังจากท่านเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ชาวพุทธจะต้องเข้าใจาให้ได้ว่าแม้กระทั่งหลักธรรมก็ยังให้พึ่งเฉยไม่ให้ยึดถูกไหมคะถูกต้องไม่มีตรงไหนผิดเลยใช่ไหมคะที่พูดไปเนี่ยอันนี้บทเพลญชนะถูกเป๊นนะปนะคะ พระเจ้ายังเคยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยด้วยนะว่าคนคนหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมมีแมนน่น้ําใหญ่ขวางอยู่เนี่ยฝั่งนี้มีอันตรายมีทั้งงูมีทั้งฆาตกรมีทั้งเพชฌฆาตมีทั้งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆทําให้เกิดภัยเขาจะข้ามไปฝั่งนูน้นะฝั่งนู้นดูแล้วท่าทางปลอดภัยแต่ว่าเรือหรือสะพานที่จะข้ามไปไม่มีเขาก็เลยทําการรวบรวมหญ้าแห้งไม้แห้งกิ่งไม้มาผูกเป็นแผนะ่แล้วก็พยายามไปด้วยมือและเท้า พย า, ยามไปกับแพนั่นแหละจนกระทั่งข้ามฝั่งไปโดยสวัส ด, ดีแล้วถามว่าบุคคลคนนี้ที่ข้ามฝั่งมาด้วยแพ น, นี้มันคิดว่าโอ้โหตายละแพอันนี้มีอุปกรณ์แก่ฉันมากจริงๆนะพาข้ามฝั่งมาได้ทําให้รอดชีวิตมาได้เนี่ยเอางี้ฉันจะแบกแพนี้ไปด้วยแล้วก็เอาขึ้นหัวทูนไปเดินไปด้วยกัน<แ>ไม่เป็นอย่างนั้นคุณโจมติวไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะแค่ทิ้งแพเอาไว้หรือว่าปล่อยให้ลอยไปตามน้ําตัวเขาก็หลีกไปตามปรารถนา อันนี้เหมือนกันพ่วงแพร์เนี่ยคือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอืมอมืนะคะ ถ, ถ้าขนาดคําสอนของพระพุทธเจ้ายังให้วางนะยังให้เขาเรียกว่าอย่ายึดถือนะเราไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นเลยสิ่งอื่นนี่ต้องโยนทิ้งหมดคือโยนทิ้งหมดนี่หมายความว่าเราไม่ยึดถืออ่าฟังแล้วเนะี่ยฉันคิดว่าบางคนอาจจะบอกอุ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอืมก็ดีแล้วมันก็ต้องเอาไว้สิอืมนี่แหละคือปัญหาค่ะนี่แหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ย เดีังคิดว่าเราเนี่ยทุกๆวันในทุกๆ ท, ที่เราอยู่แต่กับปัญหาเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมที่บอกว่าเราต้องช่วยกันทำดีก็คือให้ทำเพื่อเพื่อพาในสิ่งที่ดีเพื่อ ใ, ให้เกิดกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันดีแต่ไม่หยุดมันทีนี้อพอพอคนทำไม่ดีนะเราจะจีดละ วิชันอุตส่ารณรงค์ให้เธอทำดีให้เธอพูดดีนะเธอหญ่าพูดยุยงให้แตกกันพอมีคนพูดให้แตกกันนิดหนึ่งเราจะจี๊ขึ้นทันที<ช>เพราะเรายึดในธรรมะแต่ทีฉันว่านี่แหละคือกรรมของม น, นุษย์นึกเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะัค็เหมือนกับว่าเราจะพบอยู่ตลอดเวลายิ่งเรามีความรู้เรื่องหลักการคือหมายถึงว่าเรื่องธรรมะเนี่ยมากเท<ช>่าไหร่เรายิ่งได้พบว่าการทําได้นมันยากสู้ไม่รู้ซะเลย ไม่กลุ้ใจคือว่าเวลาที่เราเกิดรู้ขึ้นมาใช่ไหม <c oughs> มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆคือสิ่งที่จะยึดเรานี่นะคุณโยมเติ๋วเขาไม่ได้หนีไปไหนจากหอย่างนี้ <c oughs> คือไม่มีทางนอกเหนือไปจากอยายตนะทั้ง6มันไม่ยึดเราทางตา <c oughs> ก็ะทางหูจมูกลิ้นกายใจสักทางใ ด, า ท, างดาทางหนึ่งเวลาเข้ามูลข่าวสารมันจะเข้ามาเนี่ยมันไม่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสักหกทางใด6กทางหนึ่งก็อยู่ในนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั <c oughs> ้นพระพุทธเจ้าจึงให้ปิดกั้นอินทรีย์ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คงจะต้องอเป็นเรื่องที่มีความรู้ไว้พยายามทํากันไปเรื่อยๆและเราก็คงจะต้องให้ท่านใช้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโจทย์แล้วรายการนี้เดี๋ยวจะพยายามถามบ่อยๆแล้วกันนะคะว่าหลังจากฟังธรรมก่อนที่จะส่งท่านไพบูลย์กลับวัดป่าดอนไฮโศกเนี่ยท่านนังหลายเนี่ยยึดเอาไว้หรือเปล่าจะเตือนว่าอย่ายึด นะคะมาถึงคำถามเลยดีไหมคะได้ได้ใช่ไคําำถามของท่านผู้ฟังท่านนี้เดี๋ยวนะคะชื่อคุณอะไรเอ่ยชติกากคุณชติกาคุณชติกาถามท่านพิบูรณ์ค่ะคือก็เป็นบุคคลทันสมัยนะคะมไม่ได้ปิดอายตนะทั้งหกยังรับรู้ข่าวสารทุกทิศทาง <laughs> ก็ไม่สบายใจอ่าก็ยกตัวอย่างกรณีที่มีคนพยายามประท้วงเรื่องหนึ่งในสังคมไทยนะคะ เปลือยกายแล้วก็เลยบอกว่ากลัวอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดการเลียนแบบเปลยกายอย่างนี้เรื่อยๆบางคนอาจจะบอกดีมันกันนะจะได้ดูเปลยกายก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อรับข่าวสารเนี่ยไม่ได้ตําหนิคนที่แสดงออกแต่รู้สึกทุกข์อะว่าพ่อแม่สมัยเนี้ยคงมีภาระหนักขึ้นไปอีกที่จะ บ, บ่งเพาะลูกหลานให้อยู่ในคันลองไทยปลูกฝังไม่ให้ไหลไปตามกระแสตันตกที่มุ่งสู่ความเสื่อมแต่คนไทยรวมทั้งชาวเอเชียไม่ค่อยมองว่า ระบบสังคมตวนตกไม่ได้ดีงามอย่างที่เราคิดและบางอย่างไม่ควรทําตามเขาเพราะมันจะพาสังคมเราดิ่งเหวตามตนตกไปด้วยอันนี้แม่ห่วงภาพใหญ่เลยอื hmm. บอกว่าตอนเห็นข่าวนี้ถามตัวเองว่าจะทําอะไรสักอย่างไหม <c oughs> เช่นไปบอกเจ้าของภาพว่าไม่เห็นด้วยหรือว่ายอมรับความจริงไปเถอะว่าทานกระแสตนตกไม่ได้ยังไงการเปลือยกาย มันเกิดได้ในตะวันตกมันก็เกิดในเมืองไทยได้ อ, อแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนในสังคมเองที่ต้องเลือกนะคะว่าจะเรียนแบบหรือเปล่าเราก็ปล่อยวางไป อ, อะไรเกิดก็ต้องเกิดนั่นเป็นบรรยายนะคะตอนนี้คือคําถามแล้วค่ะระหว่างการลงมือทําอะไรสักอย่างที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยกับพิจารณาและอุเบกขาไปเลยถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วจะทําอย่างไหนคะผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วจะทําสิ่งที่เรียกว่าอดทน อดทนอดทนเอาไว้คือกรณีของคุณโจติกาเนี่ยนะคลาสสิกเคสมากคุณยมติว <c oughs> ว่าเวลาที่มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วเรามีความยึดในความเป็นไทยพอคุณมีความยึดในความสังคมไทยเป็นอย่างนี้แนะพอมีใครทําที่นอกแนวหน่อยคุณจีด๊ดค่ะคุณจี๊ดขึ้นทันทีนะคุณจี๊ดเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีความยึดว่าคนไทยต้องเป็นอย่างนี้นะคนไทยต้องไม่แสดงออกอะไรที่มันจงครื่มขนาดนี้นะ พ่อมีคนอื่นทําปุ๊บเราจี๊ดนี่คือกรณีที่คุณโจติกายึดในกรณีที่1 น, นะกรณีที่2ก็คือว่าของเรื่องของพ่อแม่นะทําให้คิดว่าจะต้องออไปคิดว่าพ่อแม่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สอนให้ถูกต้องหรือว่าเป็นหน้าที่หนักของพ่อแม่ในสมัยปัจจุบันที่จะต้องบ่มเพาะลูกให้ให้ดีแสดงว่าคุณโจติกาอาจจะมีอยู่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่จึงห่วงตรงนี้ขึ้นมา นะทีนี้ถามว่าในกรณีความยึดถือใน2ประเด็นนี้จะทําอย่างไรก็อาจตมาได้บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นว่าเราก็แก้ไปตามเหตุนะแก้ไปตามเหตุคือยังไงหน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่ของเราคือรักษาที่ทั้ง6ใช่ไหมเพราน้นเราดูแลลูกเราให้ดีเราดูแลคนรอบข้างเราให้ดีเพื่อนเราถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนเราเราต้องห้ามเขาจากความประมาทนะถ้าเขาจะฟังเราถ้าเขาไม่ฟังเราเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งในกรณีนี้คือต้องอดทน แล้วนะก็ให้มีเมตตาจิตถ้าเราอดทนมีเมตตาจิตนะอย่างน้อยเราไม่ทุกข์มากแล้วเราก็จะไม่ยึดถือในสิ่งที่ว่าออสังคมต้องเป็นอย่างนี้สังคมไม่ใช่อย่างนั้นสังคมจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะ สังคมจะเป็นยังไงก็ขอให้มันอยู่ในคันลองที่เป็นศีลสมาธิปัญญาก็แล้วกันถ้ามันไม่อยู่เราจะทําไงอย่างน้อยเราอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วกันถ้าเราอยู่ในคันลองที่ถูกต้องนะคนรอบข้างเราเรารักษาได้คนรอบข้างเราเรารักษาได้ ข, รรไดขยายออกไปขยายออกไปนั่นแหละคือสังคมที่ดีขึ้นมาไองค่ะก็คือว่าท่านกำลังตอบว่าก็ทําไปตามหน้าที่ที่อยู่ในกรอบของศีลที่พึงกระทํานะครับเพราะอย่างเรื่องอดทนเนี่ย ก็เป็นพุ้ทวจนะที่ตรัสไว้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นถูกไหมคะใช่ใชความอดทนนี่สําคัญมากส่วนเรื่องของทิศใช่ไหมคะท่านพูดถึงเรื่องของทิศ ท, <6, S 1> ทีททท่ทั้งหเป็นเรื่องของหน้าที่ที่คือจริงๆท่านให้ความสําคัญกับเราเนี่ยก่อนถูกไหมคะความเป็นเราใช่แล้วก็ความเป็นเรากับคนที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นทิศ ท, ที่สําคัญแบ่งเป็น6กทิศอพระพุทธเจ้าตรัสไว้เริ่มต้นจากตรงเนี้ย จากตัวเราแล้วออกไปใกล้ๆตัวก่อนแล้วมันจะขยายไปเองนั่นแหละจะเป็นสังคมที่ดีขึ้นมาได้นะคะท่านฟังคะถ้าฟังรายการนี้จะได้ยินคําว่าทิศหกเนบ่อยมากโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านพิบูลนก็พูดไปหลายกรณีนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องคนมาถามว่าจะอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างไรดีท่านก็ว่าไปเรื่องทิศหกเรื่องวันพ่อท่านก็พูดถึงเรื่องทิศหกเป็น uh huh. ต้นค่ะวันนี้ ก็เรื่องของทิดหกอีกเช่นเดียวกันใช่ทีนี้เรื่องของทิดหกเนี่ยจะเป็นตัวขยายที่ทําให้สังคมดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราป้องกันภัยที่เกิดจากรอบตัวเราแล้วเนี่ยสังคมก็ไม่มีภัยค่ะ อ, อนะคะตอนแรกดิฉันเคยคิดว่าเอ๊ะปีใหม่เนี่ยเราแจกอะไรที่คล้ายๆกระจกเพื่อนนี้ไหมแล้วก็บอกว่าสองดูตัวเองดีกว่าออืเพราะว่ามันทําอะไรกับคนอื่นมันเหนื่อยแต่พอฟังท่านเนี่ยตัวเองก็ไม่พอนะคะต้อง สะท้อนเอาเองซะหกทิศด้วยอือย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเอาลำพังตัวเองแค่ปีใหม่นี้ก็พอแล้วคือว่าถ้าเรารักษาทิศของเราในลันกษณะห้าอย่างของแต่ะละทิศใช่ไหมอันนั้นเนี่ยชื่อว่าทิศนั้นเนี่ยปลอดภัยละแค่นั้นเองคือมันมีส่วนที่เป็นที่เราจะต้องทําอยู่ไงค่ะอ่าเท่านั้นเองเราทำครบคือยังนก็ก็คือว่าสองกระจกดูตัวเองนั่นแหละใช่แล้วก็ มีโอกาสทาทั้งสี่ทิศทีนี้ที่อาจมาพูดถึงทิศทั้งหเนี่ยเพราะว่าเราเราควบคุมได้มันเห็นชัดเจนว่าเราต้องทําสิ่งนี้บางคนเนี่ยจะต้องไปออกกฎหมายคิดทํานู่นคิดทํานี่ประท้วงทําอะไรโอ้ยมันเป็นเรื่องยากที่มันไม่ได้อยู่ในหมวดของพุทธวจนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพุทธวจน ะ, ะทำยังไงที่เกี่ยวกวับคนอื่นก็ทำหกอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะก็คงจะทําให้คุณโชติกาเนี่ยสบายใจมากขึ้นนะคะอุเบกขาเนี่ยอ่าก็คืออ่อนตัว ให้อดทนไว้ค่ะคือยังไม่ถึงกับวางเฉยๆไม่สนใจอะไรเลยแคยังต้องมีในส่วนของการปฏิบัติตามธรรมไปก่อนใช่ใช่นะคะนะคะนี่ก็คิดว่าได้ประโยชน์กับคนจนํานวนมากทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่เขาต้องการให้เราเนี่ยเหมือนกับช่วยสะท้อนว่าเรามีความคิดเห็นคือมีส่วนร่วมอไอ้คําว่ามีส่วนร่วมนี่แหละตอนแรกเมื่อก่อนก็ดูอยู่เฉยๆแล้วก็ทนเอามาจัดการเกี่ยวกับตัวเราเองวิพากษ์วิจารณ์คนรอบข้างอืแต่ตอนหลังเนี่ย บางทีเรื่องเกิดปุ๊บคล้อยไปสามวินาทีกระหึ่มแล้วนะคะถ้าเกิดไปโดนให้ผลช่วยกันวิจารณ์คือคือการมีส่วนร่วมไงเราต้องมีส่วนร่วมด้วยความอดทนไงด้วยความไม่เบี่ยงเบนถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างนี้นะเราเกี่ยวข้องคนอื่นด้วยความอดทนไม่เบี่ยเบนเมตตาจิตรักให้เอนดเนี่ยเราจะรักษาตัวเราเราจะสบายค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านไปบูลพูดในตอนนี้เนี่ยที่ฉันเข้าใจว่าเหลืออีกสองนาทีก็ท่องไปเลยก็แล้วกันนะคะ การจะรักษาผู้อื่นก็อดทนอเป็นทอฐานอดทนอดทนไม่เบียดเบียนเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดถูถูกต้องถูกต้องนะคะมีลูกก็ปลูกวัคซีนนี้ให้ลูกเลยใช่อยู่กับคนอื่นเราอดทนนะลูกไม่เบียดเบียนเขานะลูกเมตตาจิตเขานะลูกรักใครใ่เอ็นดูเขานะลูกแม่ดีมากๆเลยงั้นจะถือว่าในส่วนของหลักธรรม เรื่องรักษาผู้อื่นเนี่ยเราสามารถจะส่งให้ใครในวันปีใหม่ได้และตามที่ได้เรียนท่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าจะขอผูทวจนะเพื่อให้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่บทรักษาผู้อื่นนี่ก็ได้หนึ่งบทแล้วใช่ใชค่ะค่ะท่านพิบูลค่ะวันนี้นรัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนรัสกา ร, ราค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะและนั่นคือพระรพิบูลอภิปุนโนนะคะจากวัดป่าดอนห so, ายโศกจังหวัดอุดรธานี ne. และที่ท่านกําลังฟังอยู่นี้คือรายการสัสนิยสนทนาดําเนินรายการโดยสันนิยนนาพงรายการที่มุ่งเน้นให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตรัสอะไรไว้บ้างจึงมีช่วงเวลาของการที่ให้ฟังพระสูตรเต็มๆในช่วงต้นและปฏิบัติธรรมไปด้วยกับพระมาชาคาวโรวัณ น, นาปภงลำลู ก, กาคลองสิบแล้วก็ช่วงที่ยกเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาตอบคาถามดังเช่นที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ท่านที่สนใจจะศึกษาคําของระสาสดาหรือพุทธวจนะเรามีหนังสือแจกสัปดาห์หนึ่งก็ยี่สิเอ็ดอขออภัยค่ะห้าสาสิบห้าเล่มนะคะโดยวันลาสามเล่มท่านโทรมาที่ศูนย์สอง6นนะคะและก็ขอ นส้สตกการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกริสโสธิพโลวัดนาปภรพงลำลูกกาคลองสิทธที่ได้ให้หนังสือเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการค่ะส่วนรายการของเรานะคะจะกลับมาพบกับท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาตี5ค่ะวันนี้พู้ทวัต ส, สวัสดีค่ะ